21. พระชติวาระวาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรไหน 318. ถามวิวาธาธิกรบรรดาธิกรณสี่อย่างจัดเป็นอธิกรอย่างไหนอาศัยอธิกรอย่างไหนนับเนื่องในอธิกรอย่างไหนจัดเข้าอธิกรอย่างไหนอนุวาธาธิกร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 จัดเข้าวิวาทาธิกรอนุวาธาธิกรบรรดาอธิกรส่อย่างจัดเป็นอนุวาธาธิกรอาศัยอนุวาธาธิกรนับเนื่องในอนุวาถาธิกรจัดเข้าอนุวาถาธิกรอปัตาทิกรบรรดาอธิกรสี่อย่างจัดเป็นอาปัตาทิกร อาศัยอาปัตตาธิกรนับเนื่องในอาปัตตาธิกรจัดเข้าอาปัตตาธิกรกิจจาธิกรบรรดาอธิกรสี่อย่างจัดเป็นกิจชาธิกรอาศัยกิจจาธิกรนับเนื่องในกิจจาธิกรจัดเข้ากิจจาธิกรสามสิบเถาม วิวาธาธิกรบรรดาสมถะเจ็อย่างบ่งถึงสมถะเท่าไรอาศัยสมถะเท่าไรนับเนื่องในสมถะเท่าไรจัดเข้าสมถะเท่าไรระงับด้วยสมถะเท่าไรอนุวาธาธิกรละอาปัตตาธิกรละกิจจาธิกรบรรดาสมถะเจ็ บ่งถึงสมถะเท่าไรอาศัยสมถะเท่าไรนับเนื่องในสมถะเท่าไรจัดเข้าสมถะเท่าไรระงับด้วยสมถะเท่าไหรตอบวิวาทาธิกรบรรดาสมถะเจบ่งถึงสมถะสองอาศัยสมถะสองนับเนื่องในสมถะสองจัดเข้าสมถะสอง ระงับด้วยสมถติสองคือหนึ่งสัมมุขาวินยัยสองเยปุยสิกาอนุวาธาธิกรบรรดาสมถติเจ็ดบ่งถึงสมถติสี่อาศัยสมถตินสี่นับเนื่องในสมถติสี่จัดเข้าสมถติสี่ระงับด้วยสมถติสี่คือหนึ่งสำ ม, มุขาวินยัย สสติวินัย 3. อมุรหวินัย 4. ตัสปาปิยสิกาอาปตตาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดบ่งถึงสมถะสามอาศัยสมถะสามนับเนื่องในสมถะสามจัดเข้าสมถะสามระงับด้วยสมถะสามคือ 1. สัมมุขขาวินัย 2. ปตินยาตกรณะ 3. ตินวัถารกะกิจจาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดบ่งถึงสมถะหนึ่งอาศัยสมถะหนึ่งนับเนื่องในสมถะหนึ่งจัดเข้าสมถะหนึ่งระงับด้วยสมถะหนึ่งคือสำมุขาวินยัยพระชติวาระที่21จบ สมถะเพทะจบ